ข้อสตุลยาที่รณะในจตุถีวิพัตอุทาหอนข้อหนึ่งพุทธปมุขขศะภิกขุสังคัตสะทานังเทนติเทนติแปลว่าถวายย่อมถวายทานั ง, ซ, งซึ่งทานภิกขุสังคัตสะแก่ภิกษุสงฆ์พุทธประมุขขศะมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายสังฆทาน มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นอย่างนั้นไหมถวายสังฆทานบ่อยๆใครยังไม่เคยถวายสังฆทานยกมือหน่อยสิมีเหมือนกันโยมสมจิตยังไม่เคยถวายสังฆทานฮ ะ, ะในชีวิตหนึ่งเน้นับไมปทวนเป็นอย่างนั้นไหมถวายสังฆทานทุกครั้งจิตน้อมถึงพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในการให้ทานทุกครั้งมีไหมคิดอย่างนั้นใช่ไหม ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีถ้าไม่เป็นอย่างนั้นถวายพระห้างรูปไปแล้วพระห้างรูปท่านเอาสังฆทานไปทิ้งรับไปแล้วอ่ะถ้าใจไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็ใจตกได้นะอะไรเราจัดเตรียมมาอย่างดีเรียบร้อยพระรับไปแล้วไปทิ้งทิ้ ง, งคว้างๆไม่เป็นประโยชน์ต่อไปไม่ถวายอีกแล้วสังฆทานเนี่ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อา้าวถ้าใจไม่ถึงพระพุทธเจ้าจะคิดอย่างนั้น ถ้าใจถึงพระพุทธเจ้าวะโอ้เราได้ถวายพระพุทธเจ้าแล้วหนอภิกษุเหล่านี้ไม่เคารพในวัตถุทานที่เราให้ไม่ยังศรัทธาให้เจริญได้ต่อไปเราจะถวายรูปอื่นถึงจะถึงพระพุทธเจ้าอีกใช่ไหมเราก็สแสวงหารูปอื่นไปเรื่อยใจไม่เสียถ้าถวายพระก็เห็นแต่พระที่มารับทานใจไม่ถึงพระพุทธเจ้าทําไม่ดีก็เสียได้ต่อไปข้อสอง อนาถานังยาจาการังคหาปนานิปิพัตตานิปิททาติททาติย่อมให้ตอนนี้ไม่ถวายแล้วเพราะผู้รับเป็นยาจากะททาติย่อมให้กหาปนานิปิซึ่งซึ่งกหาปณ ะ, ะทั้งหลายบ้างพัตตานิปิซึ่งอาหารบ้าง ให้เงินบ้างให้อาหารบ้างให้แก่ใครยาจาการนังแก่คนขอทั้งหลายอาณาฐานังผู้ไม่มีที่พึ่งอาณาฐานนางเคยได้ยินคำว่าตายอย่างอานาตไหมเคย น, นั่นแหละแปลว่าตายอย่างไร้ที่พึ่งครับคำว่าอานาตนี่ะแปลว่าไม่มีที่พึ่งอ้าวก็ไม่มีที่พึ่งตายไปก็หมายถึงว่า ในขณะที่ตายเนี่ยปุบปับด้วยอุบัติเหตุตายนอนอ่านหนังสือผิวมือยู่กลางถนนคือไม่ทันได้มีที่พึ่งอะไรเลยตั้งใจจะไปกิบนูน่นกิบนี่ยังไม่ได้ถวายทานยังไม่ได้รักษาศีลก่อนตายยังไม่ได้ลึกถึงความดีเลยปุ๊บหายไปเฉยเนะขาเรียกว่าตายอย่างไม่มีที่พึ่งเขาเลยเรียกว่าตายอย่างอนาถถ้าคนมีที่พึ่งก็ก่อนตายนิมนต์พระมาสวดมนต์ให้ฟัง นิมนพระมาให้ศีล น, นิมนพระมาพูดธรรมะให้ฟังเห็นพระจิตมุ่งมั่นอยู่ในพระธรัมไตรย อ, อย่างนี้เรียกว่าตายอย่างมีที่พึ่งเขาเรียกตายอย่างไม่อนาต <c oughs> ยาจกานี่หมายถึงใครก็ตามที่เอ่ยปากขอพูดนั้นชื่อยาจกะทั้งหมดแม้แต่พระด้วยเมื่อไหร่พระเอ่ยปากขอเมื่อนั้นพระเป็นยาจกพระเอ่ยปากขอไม่ได้พุทธเจ้าห้าม ให้เอ่ยปากได้เฉพาะบุคคลที่เป็นญาติและเป็นปวาราณาเท่านั้นญาติฝ่ายชายปวาราณามีอายุไม่เกินสีเ่เดือนยาจาก ะ, ะผู้ขอคําว่ายาจกะในแปลว่าผู้ขอมาอยากมาจากยาจะาธาตุยาจะยาจัเนในการขอกะนั่นแปลว่าผู้ยาจากะผู้ขอเราไม่ได้แปลว่าขอทานนะถ้าขอทานอาจจะหมายกลุ่มคนที่เป็นขอทานเป็นเลี้ยงชีพ ส่วนยาจากักะเนี่ยหมายถึงคนใดก็ตามอย่างเช่นพี่เราก็เคยเป็นยาจากะตัวเราก็เคยเป็นยาจากะใช่ไหมาาเมื่อไหรเราเอ่ยปากขอหรือมีใครได้ยินใครเอ่ยปากขอก็เป็นยาจากะหมดใช่ขอทานก็ยาจากักะเหมือนกันนี่แหละดังนั้นคําว่าอนาถานนางยาจากานางเนี่ยจริงหมายถึงขอทานจริงๆเพราะไม่มีที่พึง่งส่วนยาจากะคําเดียวเนี่หมายถึงใครก็ตามถ้าเอ่ยปากขอแล้วเรียกว่ายาจากักะหมด พอเขาขอบางครั้งเราก็ให้เงินบางครั้งเราก็ให้ของกินเขาบอกว่าซื้อตังขอตังซื้อข้าวกินหน่อยหิวเราไม่อยากให้ตังล้วก็เอาข้าวเอ้าอยากจะกินข้าวใช่ไหมเอาข้าวให้บางคนเ็าบอกว่าไม่เอาจะไปซื้อเอง <laughs> อย่างนี้ก็มีนะที่มาเคยเจอเหตุการณ์มาแล้วบ่อยๆ ย, ยาจ่าธาตุเมื่อกี้บอกว่ายาจ่าธาตุต้องหาเขาว่ายาจาัาอ๋อไม่มีก็แล้วไป ยาจะธาตุยาจะยาจะเนในการขออ่ะดูต่อไปข้อ 3. วุฒานังพิกขูนังฉัตตังทางเรติทางเรติย่อมทรงไว้ย่อมกั้นย่อมกลางฉัตตังซึ่งร่มพิก ข, ขูนางแก่ภิกษุทั้งหลายวุฒานังผู้แก่เท่าผู้จงเรินก็ได้ หมายถึงเจริญอายุนะวุทธานังผู้ใหญ่ผู้เป็นเถงละผู้ใหญ่ผู้แก่ผู้เท่าวุฒะเนี่ยเช่นพระเถงละเขาเรียกว่าภิกษุผู้เจริญภิกษุผู้ใหญ่ภิกษุผู้เท่าเหมือนเราไปกับครูบาอาจารย์แล้วก็กั้นล่มถวายวุทธานังขยายพี่ขุนังข้อ4จะตัดสันนังปังรีสานังโอวาทางเทติเทติย่อมให้ โอวาทังซึ่งโอวาทปังริษานังแก่บกริษัททั้งหลายจะตัดสันนังทั้งสี่บริษัทสให้โอวาทแก่บริษัทสข้อ5้นโมตัสสะพระควมโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะตามด้วยกิริยาอัตถุแปลใครแปลนโมไม่ได้แย่เลยงานเนี้ย นาโมความนอบนอ้อมอัตถุจงมีงมต่อไปพระควมภโตแด่พระผู้มีพระภาคอังรหะโตผู้เป็นพระอังรหันสัมมาสัมพุทธะผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสะพระองค์นั้น ถ้าอังรหห์ตโตเราไม่แปลว่าผู้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็แปลออกความหมายว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้หักซี่ล้อของพญามารผู้ควรรับทักษิณาทานที่เขาน้อมถวายโพ้ทั้งหลายคาานะําอรหัตเนี่ยสัมมาสัมพุทธสัะก็บอกว่าผู้ตรสัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบอายริยาว่าจงมีจงเป็นได้เนะนะั้นละลองแปลแต่ข้อหนึ่ง พุทธประมุขสาพิคูสังฆสาทานังเทนติย่อมถวายซึ่งทานแก่ภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอาณาฐานัางยาจาการนางกหาปนานิปิพัตตานิปิทธาติย่อมให้เงินบ้างอาหารบ้าง แก่คนขอผู้ไร้ที่พึ่งผู้ไม่มีที่พึ่งคนไร้ที่พึ่งวุธานังพิคูนังฉัตตังทางเรติย่อมกั้นร่มแก่ภิกษุผู้ผู้เท่า <c oughs> จะตัดสันนังปัญรีสานังโอวาทางเทติ ย่อมให้ซึ่งโอวาทแก่บองริษัททั้งสี่ให้โอวาทแก่บริษัททั้งสีนะโมกัสถะพระคาวาโตอังกหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอังกหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น แปลอย่างนี้ง่ายๆขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะัส ม, มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวลาเราสวดมนต์แปลก็จะบอกว่านะโมตัสสะภควะโตขอความนอบน้อมจงมีแด่ใช่ไหมแล้วก็จะวางนี่แหละ